ไม่แปลว่าเรื่องของหอมอคําว่าคันดชาติหรือคําว่าชาติจึงบางทีใช้ไม่ได้หมายถึงการเกิดอย่างการเรียนไปตั้เกิดนี้่นะครับอย่างเช่นใช้เรียกว่าคุณชาติใช้เรียกว่านะธรรมชาตินะไม่ใช่นะอะถ้าถริงเราจะมาเรียกกันเองอใช้เรียกคันดชาติอใช้เรียก ปริเนชาตอะไรพวกนี้นะฮะเรใช้คําว่าชาติแล้วก็อีกหลายหลยอย่างด้วยกันที่ใช้คําว่าชาติเป็นคําหลังอย่างเช่นเครื่องกําเนิดกลิ่นกลิ่นทั้งหลายเนี่ยหรือบอ่อเกิดขอ ง, งกลิ่นกลิ่นสิ่งที่เป็นบอ่อเกิดของกลิ่นท่านเรียกว่ากันธรชาติอย่างเช่นน้ําหอมนี่ก็เป็นการธชาติเพราะเป็นแดนเกิดของกลิ่นหรือเป็นสิ่ง ที่เป็นบอกเกิด ข, ของกลิ่นเหมือนการพู ด, ด ท, ที่ดูกยะทิศมาเป็นบอกเกิดของแฝดนาเป็นบอกเกิดของข้าวถ้าจะปลูกสักเลียบเป็นภาษาบาลีด้วยก็เรียกว่าเป็นสุรียชาติางนี้สูรีชาติอะไรอย่างนี้เปกระดัก็เป็นบอกเกิด ข, ของสิ่งนั้นๆตามลักษณะของสิ่งนั้นๆหรือลักษณะชาติรักษณะนั่นแปลว่า ความปลื้มใจสิ่งที่เป็นบอกเกื้อความปลื้มใจเรียกว่ารัตรนาชาติรัตรนาชาติจริงหมายถึงเพชรเนินจินดาจริงไหมล่ะครับเพชรเนิจินดาเนี่ยมันเป็นเครื่องที่ชวนปลื้มใจเพราะว่ามันมีแสงมีอะไรสวยงามนะฮะยิ่งคนที่เป็นคนชอบเพชรแล้วยิง่งยิ่งมีความสุขมาก คนไม่ชอบเทศเห็นแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันก็ชวนตื่นตาตื่นใจเห็นมันวบวอดบุมแบบอะไรเงี้ยมันก็น่าตื่นเต้นนะครับเพราะฉะนั้นพวกมิเกละครในเมืองไทยถึงพยายามจะลักษณะรัตนชาติไปประดับไม่ใช่เทศจริงๆหรอกเป็นใกล้ๆแกๆกระจกตะตอนแสงสร้างโบสสร้างวิหารเมื่อกันให้มันเป็นตัว ก, กายเรียนแบบลักษณะเพศนินกินดาเพื่อให้คนเห็นเกิดความรู้สึก เกิดความรู้สึกที่สว่างสวัยตื่นเต้นทีนี้ความหมายของเรื่องนี้ก็ชาวพุทธนิกายอันตะการนิกายหนึ่งกับนิกายอุตราปาตการอีกนิกายหนึ่งได้มีความเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระบางคนหนักบางคนเบาคืออุจจระปัสวังหอม หอมเชยๆนี้ผมก็ยังต้องสงสัยแล้วนี่ยังบอกว่าหอมยิ่งกว่าเครื่องหอมทั้งหลายในโลกนี้บันดามีไม่ว่าจะเป็นกระเจจุนจันหรือจะเป็นน้ำหอมจากประเทศไหนก็ตามแะ่รับไม่มีอะไรที่หอมเกินกว่าอุจจาระประตะวะของนภุติจาเชื่อไหมทำไมถึงไม่เชื่อ ทำไมถึงไม่เชื่อเราก็ต้องมีเหตุผลแต่ว่าแต่อกว่ า, า, าไม่เชื่อนี่อาจจะด้วยมันผิดหลักธรรมดาเห็นมยผิดหลักธรรมดาที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อ่านี่เราก็มีการยกเหตุผลแล้วผมก็มีเหตุผลพอที่จะยกมาเพิ่มเติมนอกหยาดที่สำหรับตาราได้ยกไว้นิสาเหตุที่เขาคิดอย่างนี้ถ้านิกายันทักกะก็เห็นจะเป็นสาเหตุจาก ความคิดพื้นฐานที่ว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เป็องค์เนื้อองค์กระดูมใช่ไหครับตรงเป็นองค์นิมนิดเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นองค์นิมนิดเนี่ยจะทรงขับถ่ายอะไรออกมาคล้าๆเรียนแบบชาวโลกก็ควรจะเป็นของเหนือธรรมดาเหมือนกับเทวดาเทวดาเนี่ยหอมครับเทวดาจะเป็นเทวดาหญิงเทวดาชายก็ตามหอมของที่เทวดาใช้ก็หอม ดอกไม้เนี่ยหอมพีลึกยันฟันเองกระหนอมกันเล่ากัแหละไปอยู่ที่เนื้อที่ใต้ตา ย, ตายลมเหนือลมมันหอมแล้วห้องไกลด้วยน้ํำดื่มก็ก็จืดแบบหวานอย่างนี้นฟันเอกระหนอมไม่ได้ว่าคนอื่นว่าจืดแบบหวานมันยังไงก็ไม่รู้มันหอมใกล้ๆเราใส่ไอ้พวกเห็นน้ำยาอูฐไยอะไรเงี้ยนะครับแต่มันดีกว่านั้นเยอะ อะไรอะไรก็เรียกว่าดีทั้งนั้นเทวดาเนี่ยอยู่แต่ในแดนของหอมอยู่กับคนหอมพอมาเจอมนุษย์เก้าเทวดาคนไม่ไหวกูเทวดาชั้นสูงเหมือนเหมือนจัดมันก็ธรรมดามันก็เหมือนคนที่เคยอยู่จะเรียกว่าอยู่แต่ในบรรยากาศที่ดีพอต้องไปเข้าสลัมหรือขับรถเนียผ่านแดนสลัมคนเนี้ยบามทีเกิดความรู้สึกอะใช่ไหม แต่ถ้าหาว่าท่านไปให้ทีนี้อยู่อย่างนั้นตั้อาทิตย์มือสักเดือนหนึ่งก็กินไปเองนี่เป็นเหตุผลของ อ, อุตระัาตากาทีนี้ท่านนิกายอภิษอันัอนอานิกายอันตากาอันนิกายอุตระปาตากานะว่าเพราะ <c oughs> นะอุตร อุตระเรื่องน้การนี่ก็มันยัเป็นต้องใต่ใจเพราะผมเขียนไว้ในเอกสารชุดนําแล้วนะครับว่าประเม็ น, นไนเป็นนิการไหนว่าอันนี้บอกว่าเพราะว่าศรัทธาพระพุทธเจ้าเกินไปคนจะตู่รพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าคู่ตู่เรามีสองประเภทประเภทหนึ่งคือตู่ด้วยโภะมีจิตคิดพยาบาท คือพวกที่ไม่ศรัทานั่นเองแล้วก็ต้องการจะประชันขันแข่งล้มลางสถาบันศาสนาน้มลางพระพุทธเจ้าอย่างที่ได้เคยมีมาสมัยวิทยาศาสตแม้ในครั้ง น, นี้ก็ตามเป็นเรื่องของคนนอกศาสนาอีกพวกหนึ่งคือพวกที่ศรัท ธ, ธาอย่างไม่ได้พิจารณาพูดงา่ายๆศรัท ธ, ธาแบบเกินไปจงพระพุทธเจ้าเองไม่ใช่ชอบนะ อันนี้มีคําสอนมาในแห่แล้วก็สอนพระไม่ให้ชอบเพราะว่าถ้าคนที่เป็นบุติชนมีกิเลสไม่ชอบครับเมื่อมีศาสตราคนหนึ่งเนี่ยใครเข้ามาศรัทธาเกินดีก็ทําเฉยได้ไงเออให้เข้าใจดีเกินดีไปเป็นคะแนนเข้าตัวแต่พระพุทธเจ้าท่ า, า, านกับสอนพระไม่ให้ชอบไม่ให้ไปยินดีบางบางเรื่องถึงบางทีจริงเนี่ยเรื่องที่จริง ถ้าเป็นเรื่องจริงเราไม่เราปฏิเสธไม่ได้เพราะใบเจก็โกหกอีกเราต้องทำปฏิกูลไว้ในใจนะครับอันนี้มีในในพระสูตรอยู่บางแห่งหลายแห่งพอขวดต้องพิจารณาโดยความไม่น่ายินดีอะไรว่าอนะธิรัตาโอเกต้องพิจารณาอย่างนั้นเลยเพื่อไม่ให้ไปหลงปูนงานไม่ให้ไปหลง สิ่งี่ดีๆไม่ได้จะเป็นของจริงก็ตามแต่ถ้าไม่ไม่จริงเนี่ไม่ได้ต้องชี้แจงครับต้องชี้แจงว่าอันนี้ไม่จริงเราบอกเข้าไปไม่ใช่ว่าไม่จริงด้วยทําเงียบแล้วยังยินดีด้วยก็แย่กลายเป็นโกหกหรือเป็นหลวงโลก <c oughs> เพราะพวกที่ศรัทธาจนเกินกําลังในบางทีอย่างที่เห็นพวกเราบางทีก็เชียร์พระพุทธเจ้าจนเกินไปอัะไรก็จะให้เป็นเป็นพระพุทธของพระพุทธเจ้าหมดบางบางทีไม่ได้ละวานะครับว่าถ้าเกิดมันไม่จริงขึ้นมาเนี่ยบาปนะได้ไมฮะยังเพี้ยนเรื่องที่ท่านไม่ได้สอนเนี่ยแล้วบริโภคนี่พระพุทธเจ้าสอน ไปยืนยันจะตายกาเดียวสอนโดยที่เราไม่ได้ตรองไม่ได้ศึกษาดีแล้วก่อนแล้วถ้าเกิดท่านไม่ได้สอนขึ้นมาระหว่างไงไในเรื่องนี้คัมภีร์นี้คือเรื่องนี้เราตู่พระธธกุศิจเจ้าอันนี้ครับเป็นเรื่องที่ควรจะเราวังเพาะแตบางเรื่องเนี่มันไม่ชัดเจนเป็ที่รับรองเราต้องศึกษาแล้วก็พิจารณาให้ดีให้สองแท้พอควรแนละ้วจริงเอควรไปยืนยันกันไม่ได้มากน้อยแค่ไหนการบาปบาปทั้งคู่ เที่ยงแต่ว่าบาปน้อยมากกว่าพวกมีจิตประทุษร้ายเท่านั้น่อเวลาเราเราเชียรท่านมากๆเนี่ยเราก็นึกอุ่นใจว่ามัก็คงจะเหมือนกับคนุอดทนนี่นแหละเราไปเชียรเขาหมากิบีบๆๆไงเขาก็รักเขาก็นิยมเราถือเราต้องไปอินดูเรามัไม่กว่างั้นนะแต่ไปเล่นกับพระอริยะอย่างนี้ไม่ได้ แต่อย่างนั้นนะครับอย่างนั้นก็เรียกว่าเรียกถือว่าเป็นศรัทธานะเป็นความปรารถนาดี ต, าาต่อศาสนาตามความคิดของเขาและถ้าสวรรค์นรกมีจริงก็เข้าพวกพวกอีสองเพราะพวกนี้ก็เป็นชาวพูดเหมือนกันใช่ไหมับศรัทธามันกันอยากให้พุทธศาสนาเจริญอย่างที่บางคนนะ่ะที่ล้มห้ยใยจชาวไปแล้วก็มีที่ต้องการจะล้างสมองชาวพุทธ ต้องการจะปฏิวัติศาถนาใหม่ด้วยเจตนาดีตรูรบุญเจ้ายเจตนาดีเพราะนั้นนี้เราเร า, าจะทำตัวให้ดีเราก็เราวังทั้งสองอย่างไอ้อย่างแรกเราคงไม่มีอะแต่อย่างหลังเนี่ยน่ากลัวลรำรบา เออหวังดีฮะหวังดีแบบรู้เท่าไม่ถึงกันอ๋ออที่เงินเนี่ยอ่ามันก็คงอ่าฮะก็คนที่เขาเชื่อเนี่ยเขาก็มีเหตุผลเขาหนึ่งช่ไนมอ่าก็นั่นดีกันก็เหตุผลก็มันก็ต้องมาพิจนรณาพูดคุยสืบหา การให้จั ด, ดจกักับคนบุนี้นะเอาละ่ะ <c oughs> เป็นอันว่าสาเหตุมาจากความเคารพรักจนเกินไปจึงไปใส่อะไรต่ออะไรให้ด้าน่ลิกกืดกืจนเกินความจริงไปซึงความจริงแล้วพระพุทธเจ้านั้นยังมีพระบางคนเหม็นครับบางตทา ง, งหนักทางเบานะ เป็นธรรมดางเหม็นมากเหม็นน้อยยังไงนะีมันอีกเรื่องเพราะว่าคนเราเนี่ยบางทีงมันก็เกี่ยวพิเรนต์เหมือนกันเกี่ยวกับไอ้โลกไปไปเจี่ยวกัอ้ธาตอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวพิเรนด้วยอย่างเช่นกลิ่นตัวคนที่ผมเคยพูดนะครับกลิ่ น, นะะตัวคนเนี่ยมันก็เป็นคล้คยๆมันมันเป็นเป็นผลผลิตผลในของ พื้นฐานทางกลิ่คนคเหมือนกันที่บางคนเขาได้กลิ่นแล้วก็ารู้คนนี้นิสัยเปยังไงเนะี่ยก็มีอยู่หลายคนตรงกล้าทั้งโยมนะเคยดูมันจะเคยยกตัวอย่างเล่าให้ฟังบ้างในปีนี้กลิ่นก็เรืองอุจจาระยังไงยังไงก็อยู่บนพื้นฐานของความไม่ตะอาดเพราะฉะนั้นอในในหลักบางอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าจะพัลนาว่าในมหาปริศลักษณะ พระพุทธเจ้าจะทรงมีพระชวีวันเยี่ยนละเอียดขนาดว่าคุณละองจับไม่ติดละเอียดยังไงไม่รู้นะครับนี่เราฟังแล้วเราก็ยังไม่่อยเห็นไม่เชื่อแต่ว่านี่จะรับรองในทางตำราไปดูในมหาปริศาลักษณะสามสิบสองได้จะเรียกว่าถ้าเป็นตสมัยก่อนีเขาหนุ่มๆพระพุธใหญ่เขาเยาวไอ้ลูกหลานนี่มันกาลังแตกนะหนุ่มสมัยก่อนนิยมใส่ผมเราเรียบแปล แล้วมันมีเรียบแปรมึงควรหวีแล้วเรียบแปรเลยเนะี่ยผู้ใหญ่ก็บอกว่ามาหวีผมเขเรียบเลยไม่ยอมให้มาแรงวันเกาะเลยเนี่ยนะหมายเราว่าถ้ามันเกาะว่าโฮกเมนดีมันเรียบมากนั้นจึงจึงถนนเรียบรอรถยนต์เรียบเกินไปมันก็จับรถไม่เคยติดนะต้องมีดอกอยางไว้บ้างถนนสร้างเรียบยังไงก็ไม่ใช่เรียบจนลื่น เป็นสไลเดอร์ไปเยอะรถก็ชนกันแหละอันนี่ก็คงจะมีคุณลักษณะพิเศษบางอย่างถึ่ว่าคุ่นจับไม่ติดแต่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรงน้ำนั้นเป็นเรื่องที่ท่านบอกว่าเป็นไปตามกติโลกนะครับเพื่อให้สอคร้องกวินายที่ทรงบัญญัติเก็บละไว้แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเหตุผลอื่นด้วยว่าอาบน้ำไม่ใช่แค่สะอาดอย่างเดียวใช่ไหมครับ วิธีก<บ>รางสะอาดอยู่แล้วแต่เราก็ออยังอาบน้าไม่จะไปอาบที่อื่นนะเราอาบเพื่ออะไรได้อะไรด้วยได้ความสดชื่นโลหิตหมุนเวียนเข้านะครับอยงเช่นอาบน้ำอุ่นเนี่ยโลหิตก็หมุนเวียนผิวหนังสดชื่นตึงแม้ว่าตัวจะไม่ได้สกปรกอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันแต่บางก็ตกอยู่เหมือนกันแหลมเรอย่างไรก็ยังควรอาบ เพื่อสบชื่นนันพระพุทธเจ้าก็อาจจะได้ผลอันนี้ววเราพระเจ้าเองก็ไม่ใช่ไม่มีความนนมืดหนักมีหรือเป่าแล้วบางครั้งจึงทรงดมยาถ่ายใช่ไหมครับที่หมอชีวโกโกมาลาพัฒนตรงขึ้นถวายและเป็นยาถ่ายแปลกคือดอกบัวไม่รู้ถ่ายยาอะไรลงไปดมแล้วก็มันมีผลไป ไปถึงในระบบการขับถ่ายอันนี้ไม่เคยเลื่องหน้าลึกลึกอะไรผมเนี่ผมไม่ถึงกรนี้ผมก็นึกว่ามันมียาอะไรอยู่อย่างที่ผมเคยดมและถ่ายดมเรื่องกระเทือนลาไส้นั่นดีเล็ดไม่ยกไม่ได้นะผมผมดมมียาเแหละผมก็นึกถึงหมอที่วกเลยว่าเออท่านคงจะได้ยาที่มันมีสารมีธาตุประเภทเดียวกันเนี้ยนะฮะดมเท่านั้นแหละคะถ่าย น, นั้นมันก็มีผลนะครับบางทีไอ้ดมแล้วยังบำรุงจิตใจได้ใช่ไหมดมบางทีจะเป็นลมยังได้<ม>เรื่องการดมเนี่ยเพราะว่าไอ้กลิ่นเนี่ยมันไปมีผลต่ อ, อระบบประสาทในตัวเราเหมือนกัน <c oughs> ไม่ใช่จะต้องกินเป็นตัวยาเข้าไปเท่านั้นเพ <c oughs> วัะ น, นั้นอันนี้ก็ตรงขับถ่ายแล้วก็ไม่เห็นพลานาว่าหอมนะ ถ้าเราไม่เห็นพูดปลอมก็แสดงว่าก็น่าจะเป็นตำดานแล้วก็อยู่เรื่องอยู่ในในภาษาธังมบทที่ท้าสักการนำกระโถนไถ่รบางคนหนักบางคนบเบาของเจ้าเวลาป่วยนะท้าสักการมาปลนิบัติมาอุปถามโดยเอากระโถนบางคนหนักบางคนเบ า, าเรียกวือสล็ดน้ำลายด้วยไป และก็วิธีการเอาไปเนี่ยก็เอาไปด้วยความเคารพอย่างสุดซึ่งแทนที่จะเอาเอ า, อาหาอะไรปิดแล้วก็เอาลากไปทางหลังคือหล้ไป้างหลังเดินเร็วๆทำพระลำมจมูกที่ปร์ดุฟัดอย่างที่เราเทกระโถนให้ปูญาตยายพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยถ้ากจะโทนเทินขึ้นไปบนหัวเดินหน้ายิ้มแป้นเนย่ามีความสุขมากที่นี อต่การตรงนี้แค่นี้ไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่านั้นกันดึกต้งองไปจะหอมแล้วมัง้งไม่ใช่เพราะมีคนมาถามว่าแหมมีลำพังตัวมนุษย์เนี่ยแค่ผ่านเข้ามาไกลๆโดยยังไม่ทันอืนไม่ทันขี่เนี่ยครับเพราะเม้นเสือทนแล้วแล้วนี่ทําไมท้าส ก, กะา <c oughs> ร์จึงส่งมาเทินพระ บ, บางคนหนักบางคนเบาอย่างหน้าตาละลื่นอย่างนี้ก็ตรัสตอบว่า กลิ่นของศีลหอมกว่าแปล ว, ว่ากลิ่นของศีลนั้นได้กรบกลิ่นเหล่านี้หมดจีิงไหครับคนที่ลงดีมากๆเนี่ยเราไม่ลังเกียจเลยใช่ไหมยั ง, นะยง เ, ยเราไปเห็นค้าดีๆเนี่ยทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตก็เถอะที่ดีจริ ง, รงๆเนี่ยมีคนปฏิบัติยังไม่เกลียดหรือคนที่มลูกที่ก็มีพ่อแม่ดีที่เขาทั้งรักว่าทั้งรักตั้งเล็กในบุญคุณแล้วก็ทั้ง เขาในความดีของพ่อแม่ของเขาเขาคนนี้บัดยังพูดง่ายๆว่าละเลงอุจลักปตะวะขงพ่อแม่เหมือนกับจับแป้งจับแป้งนวลละเลงแป้งนวลไม่รู้สึกอะไรเลยทําให้ยังสนิทใจด้วยความชืยย่นใจจริงๆแนเขาเรียกว่าความดีคุณของศีลคุณของความดีมา เหล่านี้หมดเรื่องนี้จริงถ้าสมมติว่าเขาให้ท่านไปปฏิบัติหลวงปูง่แหวนนะมุตนะถ้าบังเอิญท่านสัมผัหลวงปู่แหวนท่านจะทํทะทำด้วยความรู้สึกอย่างนี้ได้หรือไม่ผมก็เชื่อว่าจะทําได้เหมือนอย่างที่ตานุศิของท่านได้ทำด้วยความรู้สึกอย่างนี้ไม่ได้เคยรนะงเกีลิงงอนเลยกับรู้สึกเป็นรี่มงคลด้วยครับใช่นะม เป็นมงคลจริงๆครับถ้าเราได้มีโอกาสไปอ่าล้างกระโถนไปเช็ดกระโถนให้ท่านนะไปซักที่รับที่นอนที่นื่นไม่มีที่นอนอย่างเรานอนนะ่ะไปซักอะไรต่างๆเราก็จะมีความภาคภูมิใจหรือคุณยายเขไม่มีบุญจะได้ทำํำจะได้ทำคนอื่นเขาแย่งทําหมดเนี่ยไม่รว่าพ้ะอินทร์นี่มาแทงคิวชาบ้านเขาไปหรือเปล่าเนี่ยนะครับผงจะมาแซงคิวไปอะผมว่า นั้นจริงเป็นร่องรอยหนึ่งที่ว่าเป็นอย่างนั้นนั้นสิ่งอัศจรรย์บางอย่างเช่นเดินไปพระองค์ทรงสเสด็จไปที่ไห น, นแล้วไม่มีรอยฝ่าพระบาทอันนี้ก็เป็นมุมอัศจรรย์ที่ทางตำรายยอมแล้วแต่ก็ไม่รับว่าอุจจาระหอมปัสสว่าหอมแล้วในหลักของการเจริญกายยะตาสติที่ระพุติเจ้าทรงเจริญได้ในหลักเนี่ยข้อปฏิเสธแค่ข้อเดีย ว, วดา มี่จเจริญกายะต า, ากายะกะตาสติโดยความเป็นปฏิกูลไม่ขึ้นเนี่นะครับไม่ได้เพราเทวดาเนี่ยอะไรอะไรก็หอมหมดอิะจฉาราบาตว่ามีไหมมีไหมครับไม่มีเทวดาปกติไม่มีเว้นแต่เทวดาครึ่งเปลือกาจมีได้เทวดาชั้นต่ําที่มีโลกพิธีวิญญาณแค่เขาเทวดามีตาหนิเขาเรียกว่ามาในกลับติ อาจจะมีได้แต่อย่างเนี้ก็ไม่ใช่เป็นเทวดาเต็มรูปเทวดาแท้ๆด้านเทวดาจิงทํำเรื่องนี้ไม่ได้ในหลักจริงๆห้ามภูมิไว้แต่ในภูมิพระพุทธเจ้าเนี่ยทํากันภูมิของมนุษย์ได้ทำก็ได้ทุกคนตั้งแต่พรุทธเจ้าลงมาพระเกศาก็ถือว่าโสกปรกนะเพราเป็นยังไงก็เป็เ้อเป็นหนังของมนุษย์สัญญามีลักษณะดีอยู่บ้างก็ยังเป็นมนุษย์ถือว่าโสกปลกในเนี่ย อุดจละเรียกว่าอาหารใหม่อาหารเกา่าเจอทั้งถึงมูดเป็นที่สุดก็สกับปรกพิจารณาไม่ยกเว้นว่าคนอื่นสกปรกแต่เราสถาโคตรมูดหอมคมมมมู่หอมไม่มีผู้เจ้าพิจารณารก็ไม่ยกเว้นสองอย่างเรื่องในด้จริงๆจริงจึ ง, จงเป็นความกกสกปรกถึงจะมีลักษณะที่เรียแบบเดียวกับ หญิงแก้วหรือนางแก้วหรืออิทธิรัตนะกองพระเจ้าจากักรพรรดิเนื้อหนังมังตาเนี่ยถึงจะเป็นเนื้อหนังมนุษย์แต่มีความวิเศษครับช่นกลิ่นปากหอมเหมือนกระดอกอุบนในตำราเขมาม่นแจกการนะว่าตื่นเช้าๆจะหอมด้วยใหมานางแก้วของจกักรพรรดิเป็นนางแก้วเรียว่าเป็นยอดหญิง แ ต, แต่จะว่ากันเป็นนางงามจักรวาลต้งยกให้หนางแก้วพระเจ้าจักรพรรดิเท่า น, นั้นนะครับที่งามจริงๆทั้งก ล, ก, ล ก, กลิ่นเสียงด้วยนะครับพูดนี่ก็จะในบล็อกไปพูดงว่าดูใครเนี่ยเหมือนกับพูดเขาหวาน เรื่องคนนางดูไครเนี่ยคนชาวโลกด่าชาวโลกพูดหวานๆยังตู้ไม่ได้